เราก็นั่งปฏิบัติธรรมกันตีกว่าแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองนั่งงงเงาหอานอนบางทีอาจจะไม่ใช่เวลาตื่นยังนอนกันอยู่หลายคนหลายท่านเวลานี้ก็เป็นเวลาตายเที่ยวมาทั้งคืน เกิดมีปรสบการณ์ที่4ครึ่งขับรถมาจากอ s ส a b นบ r d ไปทำงานที่สตีฮบมาทำมาทั้งคืนระหว่างทางเราตั้งสติได้อยู่ขับรถมาจอด ที่สี่แยกไฟแดงนี่โครงอุตสาหกรรมเลยบัญช้างมาจะเข้ามาตพุทธรถไปเที่ยวที่พัทยาวิ่งกลับมาเมาวัยรุ่นไม่เคารพไฟแดงเราก็จอดให้ดูเป็นตัวอย่าง ในใจก็คิดว่าถ้ามีรถสิบล้อวิ่งมาหรือรถอะไรก็ตามวิ่งมามันก็ชนกันนะสิวิ่งเร็วขนาดนี้เบรกก็ไม่ทันร้อยกว่าขนาดที่คิดอยู่ก็มีสิบล้อปลมาจริงๆ มิตซูมิชิวิ่งผ่านไปได้แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งแข่งกันมากับรถม mm ิตซูมิชิก็เป็นขี้เล่าระดับล่างมีมอเตอร์ไซค์แข่งกับวัยรุ่นขับรถปิกอัพ mm hmm. มิตซูมิซูลอดผ่านไม่ได้แต่มอเตอร์ไซค์ไม่ลอดก็ชนให้ดูตายให้ดู mm hmm. สองศพ เวลาไหนเวลาไหนก็ไม่ควรประมาทจะทัศนาจรไปทำงานหรือว่าวิปัสนาก็รู้แล้วแต่เป็นการฝึกสติได้ทั้งหมดจะท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ปล่อยกายปล่อยใจ การจะทางานแล้วไม่ปล่อยกายปล่อยใจยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมจะปล่อยให้มันไหลตามความเคยชินคุ้นชินมันก็ไม่เป็นการเดินทางไม่เป็นการพัฒนาจิตใจก็เลยต้องกระตุ้นปลุกตัวเองอยู่สม่าเสมอต้องเตือนยันหลับทำวัดสสดมนตลก็ต้องปลุกตัวเองอยู่เสมอ ในวันนี้มีบทสวดองค์แห่งความเพียรทํำยังไงองค์แห่งความเพียรสัมมาสติทํำยังไงการฝึกสติเจริญสติมันก็ชัดเจนเปลี่ยนที่จะละอกุศลเพียนที่จะสร้างกุศล จิตใจของเรานะมีการสลัดคืนความคิดการปรุงการแต่งเกิดขึ้นมาอารมณ์เกิดขึ้นมาสลัดคืน mm hmm. เพียนเพียนที่จะสลัดเลียนที่จะรู้สึกตัว mm hmm. เปลี่ยนทางร่างกายกระยันเคลื่อนไหว มีสติสั่งมีเจตนาสั่งมีการกาหนดเจตนาเป็นกรรมการระลึกรู้แต่ละกะนเราก็เพียนร้างความต่อเนื่ององค์ของภาวนาขยันรู้รู้กายรู้นารู้จิตรู้ธรรมมันเป็นทางเดินเป็นมร การฝึกสติการเจริญสติมันก็ตรงๆอีกบททนึงต่อมาไม่ได้พาสวดอันนี้เป็นสัมมาสมาธิสังเกตสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องสติเกิดก่อนแต่มีสติมก็มีศีลมีสติมก็มีสมาธิมีสติมก็มีปัญญาชาวผู้ส่วนใหญ่ต้องการ รับสิน5สิน 8, จากพระก่อนไม่พูดเองจริงๆแล้วพูดเองเลยเป็นสินสังคมแต่ถ้ารับจากพระมาวัดก็ดูเป็นพิธีกรรมดูหน้าเคารพเรื่อมใส่แล้วก็มีพลัง ดูมีความศักดิ์สิทธิ์ดูมีฤทธิ์ทีดูเป็นปฏิหารดีจริงๆทุกครั้งที่รู้สึกนั่นแหละท่า น, นั้นมันเป็นศีลมันเป็นการเข้าถึงด้วยการกระทำํำก็เรียกว่าปรมาถาศภาวะมันไม่ใช่สมมุติมันไม่ได้เป็นจารีณไม่ได้เป็นประเพณีแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปต้องใช้สมมุติก่อนเมื่อเราเข้าถึง ภาคปฏิบัติการความรู้สึกตัวสติทําให้เกิดศีลคนมีศีลก็คือคนที่มีสตินั่นแหละมีสติมก็รักษาศีลมีสติมก็มีสมาธิมีสติมก็มีปัญญาก็อยู่ที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแต่ละหณะการเดินจงกรมการเคลื่อนไหวหันซ้ายแลกว่า จะท้องพองยุบลมหายใจเข้าออกถ้าทำเป็นก็ถูกทั้งหมดแต่การเคลื่อนไหวนี่มันเขย่าหน่อยมันกวนมันรุนแรงพอเรารู้สึกตัวปับ๊บมันสั่นสะเทือนทันทีสภาวะธรรมสภาพธรรมต่างๆกุศลอกุศลต่างๆ แสดงออกทันทีในรูปแบบของการคิดการปรุงกันแต่งอารมณ์แสดงออกมาเคยมีจริตอย่างไรนิสัยอย่างไรแสดงออกมาเป็นคนข ย, ยันเป็นคนขี้เกียจเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนดือ้อหัวดือ้อแสดงออกทันทีเราก็เห็นตัวเราเองถึงนีน้อ่านตัวเองเห็นตัวเอง มันอ่านหนังสือเล่มใหญ่ตำราเล่มใหญ่มีกายอ่านกายมีจิตใจอ่านจิตใจมีสติสมาธิปัญญาอะไรเป็นสติอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญาอ่านออกมาเลยรหัสปิศนาธรรมต่างๆอยู่ที่ตัวเรากลับมาดูตัวเราก็ต้องเห็นตัวเราเห็นตนเองกต่ละขณะ กำลังนั่งกำลังเดินกำลังยืนกำลังนอนกำลังคิดกำลังพูดกำลังทำทำด้วยความรู้ทำด้วยความหลงแล้วก็เลยมีเจตนาการเคลื่อนไหวแต่ก็นะใส่เจตนาลงไปชัดๆคำว่าชัดก็คือรูเ้เบาๆเคลื่อนไหวเบาๆ รู้เบาๆมันก็จะชัดถ้าเพ่งเๆจ้องๆมันก็จะจมลงไปมันก็จะไม่ชัดคันทาไมกำหนดไม่เพ่งมันจะเผลอตามความเคยชินเคยเป็นคนยังไงคิดยังไงมันก็จะมีอาการมีปฏิกยาชวนให้เราหลงเกิดขึ้นมาเป็นกับดัก มันก็จะเก่งตรงนี้ถ้าไม่ถลําหรือว่าไม่เพียงแร้มเผลอลืมการกำหนดมันชินมันชำนาญคิดละกอดคิดลกุ้มคิดลกังวลคิดลก็สงสัยคิริชาลิสยา <c oughs> คิดแล้วมายาสาไถ่คิดแล้วก็บหลูเปนคุณท่านคิดแล้วกอกตันยูคิดแล้วกคิดแล้วชังเกิดที่ความคิดหมดเลยความทุกข์คิดเป็นก็ไม่ทุกข์นี่เป็นเคล็ดลับของการใช้ชีวิตคิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์ หรือออกจากความคิดเลยมาอยู่กับความรู้สึกตัวมีสติเด่นขึ้นมาเลยอันนี้เหนือการคิดใครก็ตามที่มีความรู้สึกตัว mm. ก็จะมีความเป็นพระถึงมีความทุกข์ก็ทุกไม่ลานจะหลุดทันทีทุกครั้งที่รู้สึกมันจะหลุด ทุกครั้งที่รู้สึกก็จะเป็นวิมุตตวิมุตตก็คือหลุดพ้นมันก็เลยสบายเลยมีอิสระเสรีทางจิตวิญญาณความรู้สึกมันไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรทั้งนั้นนะเหมือนกับที่เมื่อคือเราดูหนังประวัติหลวงพ่อคำเขียนสวนโน ตอนจบท่านจบโดยคาพูดที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรมันที่สุดของการสแสวงหามันหยุดการสแสวงหานั่นแหละคือความสงบที่แท้จริงการหยุดการสแสวงหาท่านทำทั้งวันทางานทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้ทาอะไรแต่ทาทั้งวันแต่หลายคนหลายท่านไม่ได้ทำอะไรเหรมือนกับทาทั้งวัน มือนกังานการยุ่งเหยิงมากแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยต่างกันทํางานทั้งวันอยู่ตรงไหนก็เป็นงานเป็นการเจอขยะเก็บขยะเป็นงานเป็นการน้ําแห้งท่นก็เปิดน้ําเปิดเท่าไรก็ไม่เต็มเมื่อวานท่านบอก มีคนไปสับสวิตอีกต่างหากท่านเปิดท่านดูน้ำน้เ ม, นะมื่อวานหลวงพ่อเขียนนะกลางคืนเราหลับกันแล้วท่านเดินดูน้ำหลงตาอายุเกือบ80ิแล้วเดินดูน้ำกลางคืนให้พวกเราตื่นก่อนนอนทีหลังมีหลายที่ วัดภูเขาทองจะจัดงานท่านก็ไปดู <S 2> <S 2> <S 2> รอบๆเขาในการตัดไม้ทำลายป่าเผาป่ากันหน้าแรงท่านก็ตื่นตัวเสนอตัวรับผิดชอบท่านบอกว่าคนทั่วๆไปมีสสสจสวต่างๆ เป็นตัวแทนของประชาชนคนหมู่มากมนุษย์ทุกคนเป็นเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันโดยมีระบบการปกครองมีตัวแทนแต่ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สาราสิ่งแผ่นดินน้ำอากาศไม่มีตัวแทนที่จะ ตีค้องร้องเปล่าประกาศให้หันมาดูช่วยกันแม่น้ำร้องไห้แผ่นดินล้มป่วยอากาศเป็นพิษไม่มีใครเป็นตัวแทนท่านขอเสนอตัวท่านเป็นตัวแทนดูแลธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติ ้โลมันอยู่ได้ต่อไปวท่านทำงานมากทำงานทั้งวันสอนธรรมะแต่เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยหน้าตาเห็นเมื่อไหร่ก็มีความสุขป่วยก็เหมือนไม่ป่วยตอนที่ป่วยท่านใช้คาว่าสนุกป่วยนอนในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลจุฬามาเร็งระดับสี่หมอก็เอาเข้าห้อง ICU หายใจไม่ได้ท่านบอกว่าสนุกป่วยตอนนั้นเนี่ยคนไม่มีกรรมฐานเขาจะอยู่ยังไงหลวงพ่อบอกหมอดีเพื่อนดียาดีกรรมฐานดีขณะที่นอนในห้อง ICU มันเป็นชีวิตส่วนตัว ชีวิตส่วนตัวไม่แบ่งให้กับใครเลยตอนนั้นเป็นชีวิตส่วนตัวหลายคนยืนเก่อกระจกห้องไอซแล้วก็ร้องไห้หลวงพ่อจะจากไปป่วยหนักเสียใจร้องไห้หลวงพ่อก็เขียนจดหมายบอกเลยบอกว่าทุกคนพากันกลับบ้านได้ตอนนี้หลวงพ่อใช้ชีวิตเนส่วนตัว จะมาทุกอะไรกับคนที่ไม่ทุกมาเสียใจอะไรคนที่ไม่มีความทุกผ่านกลับบ้านได้ท่านฝึกมาเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่เทียนที่มาอกิเราดูกันปฏิบัติธรรมจนเข้าใจธรรมะทั้งหมดเลยมันสุดสุ ด, ส, ดสุดแล้วความรู้สึกตัวนี่แหละมันพาไปจนสุดขยนันนั่งปฏิบัติ เราฟังเทศท่านบ่อยๆมันก็ได้ยินได้ฟังโอ้ครูบาอาจารย์ของเราทำอย่างนี้เือเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตาม <c oughs> เรียกว่าถือนิสัยพระสงฆ์นี่ต้องถือนิสัยของอุปชาอุปชาเป็นยังไงก็ต้องถือนิสัยเรามีพ่อมีแม่ก็เหมือนกันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นมันก็จะได้นิสัยมา โดยพันธุ ก, กรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรร ม, มโยนนี่มีกรรมเป็นแดนเกิดมันก็จะติดตัวเรามาขณะเราเป็นชาวพุทธจิตวิญญาณชาวพุทธก็ติดตัวเรามาอีกมีขนบธรรมเนียประเพณีว่าธรรมที่เราก็ไม่ลูมกันทําไปทำไม ไม่รู้ทำไปทำไมมันทำแบบโง่หลงอมายมันได้มีเหตุมีผลนะเราไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ทาแล้วสบายใจนะแต่ท้ายสุดแก้ทุกข์เราไม่ได้จริงหลวงพ่ออนะมเขียวนะท่านอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปนะเห็นไหมมากอเกินเป็นหมอศัยศาสตร์อีต่างหากทำคลอดคน เวลาเขามีลูกก็ไปทำกอดหมอํำแยท่านก็บอกไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงมันยังมีอยู่เลยทั้งนั้นคนก็กราบไหว้แล้วก็เลยไปหาหลวงปู่เทียนด้วยนะหลวงปู่เทียนก็ท้าทายถ้าไม่โลภจะให้เดือนละพันเมื่อสี่ิบปีที่แล้วเดือนละพันนะเยอะไหมโยม เงินเดือนเดือนละพันบาทเดียวะมั้ย4ิปีที่แล้วก็เดี๋ยวชามราหลึงเดียวอะ่ะเดือนละพันนี่ไม่ใช่น้อยนะท้าทายถ้าทำแล้วไม่รู้อะไรนะ1เดือนก็จะให้่งพัน3เดือนก็ให้3 0 0พ3 ม, ม, มปีไม่รู้อะไรก็จะคูณเข้าไปให้มีการท้าทายกันพิสูจน์ น้ำผึ้เรียนท้าทายอย่างนั้นถ้าไม่รอมาทําดูมันก็ดูกระไรอยู่พอทําลงไปจริงๆก็ไม่กี่วันก็เข้าใจธรรมะาเงี้ยขอเรามีเวลากันนะอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวันที่3ของกําหนดการก็พอจ ะ, จะสรุปจะประเด็นอะไรได้อยู่บ้าง นวาการเคลื่อนกันไหวสิบส่ชั่ววทําได้หรือยังตลอดเวลาเลยขยันเคลื่อนไหวขยับขับเคลื่อนกันเข้าไว้ขยับกายใจรู้ให้ใจที่รู้คืใจที่มีสติปัฏฐานมันไม่ใช่สติสัญชาตะยานมันก็นละตัวกันสติปัฏฐานคือสติที่รู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รู้ ร, รู้นาม มันเป็นอาการนะทุกครั้งที่สัมผัสกระทบรู้สึกก็แสดงออกมาทันทีเรามาที่นี่เราก็ถือนิสัยนิสัยของหลวงพ่อครูบาอาจารย์กรรมวิธีวิธีการต่างๆกระเมองตาเริวๆรวตาตามง่ายนะก็จึงไม่ต้องเป็นเรื่องเสียเวลา ลูกขณะหนึ่งครั้งหนึ่งมันก็สะสมไปแล้วหมหาสติก็คือการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในขณะจิตเดียวเลยขณะจิตเดียวเนี่ยรู้เลยกายเวทนาจิตธรรมรู้รูปรู้นามรู้สติสติดูสตินั่นแหละขณะจิตเดียวแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องเริ่มต้นให้ถูก สติรู้สติให้สติรู้ ก, กาซะ ก, ก่อนของยาบวัตถุ ก, ก้อนรูปธรรมต่างๆธาตุสี่ที่แสดงออกมาธาตุน้ําธาตุไฟธาตุปินธาตุลมรวมตัวกันเป็นร่างกายของเราความคิดมันเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่จิตเป็นเพียงแค่อาการของจิตแต่ว่าเราไม่เคยรู้เท่ารู้ทันมันเลย การเกิดอารมณ์ขึ้นมานะความโกรธความโลภความหลงทุกข์ต่างๆก็พอชอบหลงเผลอเข้าไปในความคิดอย่างเดียวเลยอนะย่างอื่นไม่มีทุรยศส์4ส่วนทุกขังใครมีร่างกายน่แก้ไม่ได้ทุกขังเป็นรังของโลกโลกคาปยาธินะ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขให้สังเกตจิบน้ำดื่มน้ำมาคอแห้งปวดปัสสาวะก็ไปถ่ายปัสสาวะใะมันเป็นทุกขังภาษาไทยเราเรียกว่าสุขขาพอเข้าของอน้ำเรามีความสุขตรงไปตรงมาภาษาไทยเป็นภาษาที่รองรับพระนิพพานได้ดีที่สุด เป็นภาษาที่ขยายความลุ่มลึกถึงใจพ ก, การปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการเคลื่อนไหวมีขยับกลับเคลื่อนกระพริบตาหายใจรู้สึกตัวได้หมดเลยแต่ที่สำคัญ ก, ก็คือความคิดมันเป็นนามธรรมที่ละเอียดเราไม่เคยเห็นมันเลยเราก็ต้องตั้งใจใส่ใจสักหน่อยแยบใครสักหน่อย หามุมแล้วตั้งใจไว้เลยสลัดความกังวลต่างๆบริพเทต่างๆไม่ว่ า, า, า, าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์เรื่องลูกเรื่องการศึกษาการเรียนลิทธิปฏิหารความสําเร็จต่างๆเอาวางไว้ก่อนเรื่องการเดินทางจะกลับยังไงเอาวางไว้ก่อน แล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาสังเกตกายใจของเราเพื่อให้เห็นปฏิยาต่างๆตรงไปตรงมาแม้ขณะนี้ก็ตามมันมีความง่วงเหงาหานอนปลุกตัวเองออกมาอย่าไปอยู่กับมันมันเกิดขึ้นมาก็ดีแล้วมันเกิดมาเพื่อให้เราได้ฝึกตัวเอง เราก็ฝึกนิวรธรรมนะพระโยคาวจรหรือว่าผู้ริบัติธรรมต้องเจอหนึ่งความก็เหงาหานอนยังไงก็ได้เจอแต่เจอแล้วผ่านได้หรือเปล่าผ่านได้ก็มีฝีมือมีพัฒนาการแต่ถ้าผ่านไม่ได้มันก็จะแย่กว่าเดิมแย่กว่าเก่าขนาดฝึกยังฝึกไม่ได้เราจะไปทำอะไรอย่างนี้นสองความรังเล ส, สงสัย เลีย ว, วิจิการิฉาเวลาปประธรรมเวลาสงสัยนี่วางเอาไว้ก่อนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้คำตอบเองหรอรู้สึกตัวเดินจงกลมเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะตอบได้ด้วยตัวของมันเองทำมาที้แท้ต้องตอบได้ด้วยตัวเองคนอื่นตอบไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นองค์ภาวนานเป็นแค่สุดตาเปัญญาปิจิตตาเปยัญญาแต่การที่เราได้คำตอบเอง เกิดความสงสัยความสงสัยก็คือความคิดนะรู้เท่ารู้ทันมาเลยพอกลับมารู้สึกตัวมันก็หยุดทันทีหายไปทันทีหรือว่าให้เวลาตัวเองนิดนึงเออเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาจะตอบได้ด้วยตัวของตัวเองหรอกเหมือนกับหลวงพ่อขมเขียนท่านบอกว่ามีเนรมาถามไอ้ไอ้ไอรู ป, ร ป, รปนามแล้วบ่มาถามสงสัยปฏิบัติมาตั้งนานแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ สิวันนี่มันน่าจะรู้รูปนามแล้วนะหลวพ่อเขียนเออยังเลยยังไม่รู้รูปนามเลยเนนก็อธิบายรูปนามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็น ง, งน้นลวพ่อผเขีนก็บอกเออเดี๋ยวหลวพ่อจะทําเองหรอกเดี๋ยวจะทําเองหรอกไม่เป็นไรหรอกเนนอันนี้ก็เหมือนกันเราก็น้อมเอามาเดี๋ยวเราก็จะทำของเราเองหรอก วเองกรารพยาบาทอันนี้ก็เป็นนิวรธรรมเหมือนกันที่ทำไปก็เกิดกามขึ้นมากามก็คือใคร่รวยอยากมันเป็นกามทัทยานอยากเป็นกามตันหาพยานอยาก อยากนั่นอยากนี่อยากน่นทีอากาศร้อนๆนะอยากรับประทานอยากกินของเย็นๆมันลอยมาบางทีก็อยากนอนที่นอนก็ลอยมาเตียงนอนก็ลอยมาอยากไปก็ต้องฝึกฝืนพยาบาททีกามาคนที่เราไม่ชอบเคยทำให้เราหงุดหงิดลำคาญใจ ทำให้เราทุกข์ใจบางทีคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เป็นความทุกข์ใจตัวพยาบาทอันนี้นเป็นตัวนิบอธรรมด่านกันจิตด่านกันจิตไม่ให้บรรลุถึงคุณงามความดีพระโยคาวจรก็ต้องเจอความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านคืเรียกว่าอุทันจะกกูกนจั อุทาจะกุกกจะกุกกุก็คือไก่กุกกุกไก่คิดแบบไก่เคีย่ยวไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเราก็จะเดินมันก็จะคิดเราจะรู้สึกมันก็ฟุ้งอยู่ดันแหละนะทุกคนต้องเจอถ้าปริวบธรรมยังไงก็ต้องเจอแต่เจอแล้วทํำยังไงตรงนี้เราเอาอย่างหลวงพ่อเขียน ท่านนั่งสดเลยหลังพิงเสาไม้หน้าสามใช่ไหมนั่งพื้นกระดานกุฏิมันแปลบหลังจากรับประทานอาห า, ารอิ่มฉันอาหารอิ่มไม่ไปไหนแล้วท่านบอกว่าอย่างนี้นะบางทีนั่งทำเนี่ยตั้งแต่เช้าไม่ได้ลุกเลยเสร็จแล้วเสียงะระฆังดังเนี่ยท่านก็ไม่ได้รีบไปท่านไม่ได้รีบไป ดังแล้วท่านก็ยังมีสติอยู่อีกพักหนึง่งล้วค่อยๆกาหนดสติจะต้องฉันก็ค่อยๆลุกขึ้นอย่างมีสติจุดอ่อนของพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้นะให้สังเกตดูเวลาปฏิบัติเวลาไหนก็ไม่ดีนั่งก็ง่วงเดินก็ง่วงไม่ดีหรอกแต่พอตีค้องเสียงดังมง้งนั้นโอ้โหมันดีที่สุดเลยใจเป็นโอ้ มันหลุดออกมาเลยจากการต่างๆจากอารมณ์ต่างๆให้สังเกตให้ดีเสร็จแล้วมันก็จะรีบลุกรีบเดินดีใจมากจุดอ่อนก็คือให้ตั้งสติดีๆแล้วก็รู้ว่ามีเสียงดังแล้วก็อืมรู้ลวลาเวลานี้ทําอะไรงเงี้ยนะเดี๋ยวนี้จะใช้สัญญาณจะปล่อยปฏิบัติตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ฟังสัญญาณให้ดีๆก็แล้วกัน อย่าให้มันหุนหันพันแล่นให้มีสติกำกับกับความรู้สึกขยับแต่ละขยับแต่ละขณะแต่ละยังหวะนะรู้สึกรู้สึกตรงตามความเป็นจริงเป็ น, ป, นปัจจุบันขณนะไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเอาแบบเอานิสัยของครูบาอาจารยนะ์เก็บเล็กผสมน้อยจะละเป็นตัวเรานะเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัตินะนะอะก็พูดให้ฟังแค่นี้ก่อนอะกลับมา้องกัน